ب سم الله الرحمن الرحيم ت س جيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخر سعد الغامدي الشريط السادس ويحتوي على س و ر ت ي التوبة ويونس ننام ب ا ت و ب ا ع ب ا ت ّ ب ا ب ن باد มดานียมีหนึ่งรอยี่กาอการซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งจากบทท้า ย, ท, ายที่ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ทรัรสุลลาสุลลอะหัวไลบะสลัมท่านอิหมัมอัลบุคอรีได้บันทึกรายงานจากอัลบรออิบนูฮาซิบว่าแท้จริงบทสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาคือบทบรารอะหรือตาบะอัลฮาฟิดอิบนูกาซิร ได้รายงานว่าแท้จริงช่วงแรกของบทนี้ได้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านรอสู ล, ล, ส ล, ล, าลาสุลอลลลฮุอะไลฮิวะสลัมขณะที่ท่านกลับมาจากสงครามตะบุกและท่านได้แต่งตั้งให้อบูบักรอัสิดดิกไปเป็นผู้นําในการประกอบพิธีฮัจจ์และท่านได้แต่งตั้งให้ท่านอาลีอิบนูอับบิตอลิฟเป็นผู้นําเอาหลักการต่างๆที่ได้ถูกประธานลงมาไปประกาศ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 มุชิกนที่พวกเจ้าได้ทำสัญญาไว้ดังนั้นพวกเจ้าจงท่องเที่ยวไปในแผ่นดินเป็นเวลาสี่เดือนและพึงทราบเถิดว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นไม่ใช่ผู้ที่จะทำให้อลล่อมหมดความสามารถก็หาไม่ และแท้จริงอัลลอ์นั้นจะทรงให้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายอับฮย และเป็นประกาศจากอัลลอ์และรอซูนของพระอคแด่ประชาชนทั้งหลายในวันฮัดอันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงพ้นข้อผูกพันกับชาวมุสลิมทั้งหลาย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 إلا الذين عهتتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم ي ظ ا ه ر ا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين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 فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدو لهم كل مرصد فإن تبو وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم إن الله غفور الرحيم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 ถ language, oh en, angel, atu, ้าจริงอ<ม bul> <ida> ั Native no ลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอว่าอันอัดุมนมุชริกน ف ج ر ه يسمع كلام الله ث ذلك ب أ ن ه ลาว่ามีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจ้าครุ่มครอง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 แท้จริงอัลลอนั้นทรงชอบบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงจะมีสัญญาใดอีกอย่างไรเล่าหากพวกเขามีชายชนะเหนือพวกเจ้า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 พวกเขาได้เอาบรรดาองค์การของลอแลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กน้อยแล้วก็ขัดขวางผู้คนให้ออกจากทางของลอแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ช่างชั่วช้า จ, จริงๆ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 أ أ ل ل และถ้าหากพวกเขาทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขาหลังจากที่ได้ทำสัญญาไว้และใส่ร้ายต่อศาสนาของพวกเจ้าแล้วไซก็จงต่อสู้กับบรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธสถาเถิดแท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใดๆไม่ وأن ألا تقاتلون قوما ن كثؤ أيمانهم وهم بإخراج, بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم ب د و ك م أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إنكم ن ت م ؤ م ن ي ن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 และจะทรงให้หมดไปซึ่งความกริ้วโกรธแห่งหัวใจของพวกเขาแล้วรอนั้นจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่โปร่งสงประสงค์แล้วรอนั้นคือผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญาณ أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وريجا หรือพวกเจ้าคิดว่าจะถูกปล่อยไว้โดยที่อัลลอยังไม่ทรงรู้บรรดาผู้ทิต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าและมิได้ยึดถือเพื่อนสนิทอื่นจากอัลลอและรอซูลของโพรงและอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายและอัลลอฮนั้นทรงรอบรู้อย่างดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ไม่บังควรแก่ผู้ที่สักการะเจวิตทั้งหลายที่จะบุรณะบรรดามัสิ i d ของอัลลอ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 أي ท้จริงที่จะบูรณะมัสยิดของอัลลอฮ์นั้น คือผู้ที่ศรัทธาต่อลอและวันประโลกและได้ปฏิบัติละหมาดและชำระอากาศและเขาไม่ได้ยำเกรงนอกจากอัลลอ์เท่านั้นดังนั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รับทานะา พวกเจ้าได้ถือเอาการให้น้ำดื่มแก่ผู้ที่ประกอบพิธีฮัตและการบูรณะมัสิทารอรดังที่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์และวันประโรดและต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ เขาเหล่านั้นย่อมไม่เท่าเทียมกันณที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่กลุ่มชนที่อาธรรมอัลลอฮน์อัลลน์อัฮฺนัลลอฮฺน์อัลลอฮฺน์อัลลอฮฺน์อัลลออลลฮอัลฮอันฮออันอนัลลอฮอลฮล บรรดาผู้ที่ศรัทธาและอพยพและต่อสู้ในทางของลอทด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขานั้นย่อมเป็นผู้ที่มีระดับชั้นที่ยิ่งใหญ่กว่าณที่อลอทและชนเหล่านี้แหละคือผู้มีชัยชนะยบรุลก พระผู้ยบาลของพวกเขาสรงแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาจากพระงและได้ความปิติยินดีและสวนสวรรค์ด้วยซึ่งในสวนสวรรค์ น, นั้นพวกเขาจะรับความสุขอันเิรังยัง่งยืนอออลด โดยที่พวกเขาจะพมนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแท้จริงอัลลอฮ์นั้นหน้าที่พระองค์มีรางวัลอันยิ่งใหญ่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 إليكم الله ورسوله في الله จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหากบรรดาบิดาของพวกเจ้าและบรรดาลูกๆของพวกเจ้าและบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าและบรรดาคู่ครองของพวกเจ้า และบรรดาญาติของพวกเจ้าและบรรดาทรัพย์สมบัติที่พวกเจ้าสแสวงหาไว้และการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่าจะจําหน่ายมันไม่ออกและบรรดาที่อยู่อาศัยที่พวกเจ้าพึงพอใจนั้นเป็นที่รักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าลอและลอซูลของโปร่งและการต่อสู้ในวทางของโปร่งแล้วไซก็จงรอคอยเถิดจนกว่าอลอจะทรงนํามาซึ่งคําสั่งของโปร่งและอลละอนั้นจะไม่ทรงให้ทางนํา แก่กลุ่มชนที่ละِมิด แท้จริงอัลลอฮ์ได้ส่งช่วยเหลือพวกเจ้าแล้วในสนามรบหลายแห่งและในวันสมรภูมิผู้ัยด้วยขณะที่จํานวนมากของพวกเจ้าทําให้พวกเจ้าพึงพอใจแล้วมันก็ไม่ได้อํานวยประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดและแผ่นดินก็คับแค่แก่พวกเจ้า ท, ทั้งทั้งที่มันกว้างอยู่แล้วพวกเจ้าก็หันหลังหนี แล้วลราก็ได้สรงประธานความสงบสติจากพระองค์ลงมาให้แก่รอซูลของพระองค์และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้น และได้ส่งให้ไพร่พลลงมาซึ่งพวกเจ้ามองไม่เห็นพวกเขาและได้ส่งลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามมและหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วรอนนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอยเอเยฮัลลัตินะอเมนอินนัมอ ن ลมุชริคุนเนจุสุฟาลาียกรับอัลมัส jid อัลฮารามาบัดอาลิมฮะดาวอินขฟตุมไกเลต์ฟาโซฟายุณิกุมอลลอฮุมินฟาดลีอิชา อิโอผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงบรรดามุสริกนั้นโสมุมดังนั้นพวกเขาจงอย่าเข้าใกล้มัสยิดฮะรอหลังจากปีของพวกเขาและหากพวกเจ้ากลัวความยากจนอลัลลอฮ์ก็จะทรงให้พวกเจ้ามั่งมีด้วยความโปรดปรานของพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรืชาญ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما ح ر م الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أُوتوا الكتاب حتى حتى يعط الجزية ع ي د وهم صاغرون พวกเจ้าจงต่อ <se> ส <eing> <an> ู้กับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปราโลกและไม่งดเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ห้ามไว้และไม่ปฏิบัติตามศาสนาแห่งความสัจจะอันได้แก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์จนกว่าพวกเขาจะจ่ายอัลยิสยาจากมือของพวกเขาเองในสภาพที่พวกเขาเป็นผู้ต้อยต่ําาวนิำ َقَالَتِ قَوْلُهُمْ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اللَّهِ يُضَاهِئُونَ بِأَكْوَاهِهِمْ ذَٰلِكَ الَّذِينَ และชาวยิวได้กล่าวว่าอุไซสเป็นบุตรของอัลลอ์และชาวคริสต์ก็ได้กล่าวว่าอัลมาซีเป็นบุตรของอัลลอ์ นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่งคล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนขอรอดสงสารแช่งพวกเขาด้วยเถิดพวกเขาถูกให้หันเหออกจากความจริงไปได้อย่างไร อารบะบมิหนุนอลลอฮ์และเมซีหบนมารยมว่ามาอุมรุอิลลาลียะบดุอิลาหวาหิดะลาอิลาอิลลาห์สุบฮานอัมาชริกุพวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราศของพวกเขา และบรรดาบาดหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากผลลัะ์และยึดเอาอัลมาซีบุตรของมารยมเป็นพระเจ้าด้วยทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ถูกใช้นอกจากเพื่อการเคารพภักดีพระเจ้าเพียงองค์เดียวซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาให้มีภาคีขึ้น